เมื่อออกปัรษาแรกหลวงปู่ได้ออกจาริกสถานที่วิเวกเจริญสำนัธรรมตามลำพังทางจังหวัดน้องคายโดยไม่มีมุง้งไม่มีกรดคงมีแต่ร่วมธรรมดาและของใช้จำเป็นเท่านั้นด้วยความตั้งใจอุทิศชีวิตเลือดเนื้อเป็นทานแขย่งเลือดรินท้าและสัตว์ตายทั้งหลาย ภายในป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสิงสาราสัตว์ทั้งใหญ่น้อยในป่าดงทึบเต็มฤทธิ์ไข้ป่าไข้ามาเรียแต่ท่านก็สามารถพาตัวรอดพ้นจากภัยทั้งหลายมาได้ด้วยดีพบเจ้าคุณพระอุบารีคุณุปมาจารย์จันสุริจันโท ก่อนเข้าพรรษาสองที่วัดเนินยาวอุประชาของท่านบอกรัชวงศ์เอี่ยมให้หมนท่านเจ้าคุณอุบาลีมาร่วมงานหลวงปู่มีหน้าที่ฝ่ายต้อนรับพระเถระพระหลวงปู่กราบท่านเตจจิตมันรวมเป็นสมาธิเองครั้นสงบพอสมควรแล้วจึงถอนจากสมาธิพอดีท่านเจ้าคุณอุบาลีเห็นอยู่ จึงเดินเข้ามาจาับมือหลวงปู่ถามชื่อฉายาและการบวชแล้วท่านก็พูดว่าหลานน้อยมีของเก่าเป็นทุนเดิมมากพอแล้วจงทำความเพียนต่อไปให้หาหนทางพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานรออยู่แล้วจงทำความสงบแต่พอประมาณอย่าทำภาวนาเอาแต่สงบแบบสมาธิอัวต่อนั้น ไม่ใช่ทางบรรลุมรควนนะพ้ฟังโอวาทแล้วให้เ อ, อิเบอิ่มเบิกบานในธรร ม, มาหลึงปู่ว่าเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระเจระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณธรรมน่าเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งทรงแตกฉานมากในปยิยติธรรมปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงปฏิเวทธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นอาจารย์ของพระครูเสาพระครูมั่นในภาคอีสานบางคนถามท่านว่าเจ้าคุณขาหักแล้วเป็นเช่นอีกหรือท่านว่าขาหักแต่ทำมันไม่หักหลวงปู่บวดได้สิบพรรษาท่านเจ้าคุณอุบาลีก็มรณภาพปีพุทธศักราช2475เจ็สบห้าที่วัดบารุงนิวาส กรุงเทพสแสวงหาโมฆะธรรมออกภรษาแล้วท่านจะดุงเที่ยวป่าดงทึบจังหวัดเพชรบูร์พอพ้นดงทึบออกมาก็ได้เผชิญหน้ากับวัวป่าฝูงหนึ่งอย่างจังสิงร้องมอมอรับกันอื่นนี่เจ้าตัวหนึ่งเขาเกท่าทางเป็นหัวหน้าฝูง เดินมาหยุดอยู่ต่อหน้าร่างร้องมอมอคล้ายจะถามให้แน่ใจฟรานอาจหมุกยื่นมาดมที่แขนที่หน้าหลวงปู่ดมเสร็จก็หันไปหาตัวอื่นส่งเสียงมอมอดังลั่นตู้นอื่นส่งเสียงรับกันคล่มไปหมดและที่น่าอัศจรรย์หัวทุกตัวเวียนกันเข้ามาดมหน้าหลวงปู่จนครบ เหมือนกับจะเป็นการแสดงมิตรีต่อกันหลวงปู่ว่าภาษาธรรมคือภาษาใจไม่ต้องแปล ى, หากใจเรามีมนุษยธรรมเทวธรรมพรมธรรมแล้วเยวตสัตว์รรเลยแม้เทวดาก็รู้กันได้ยิ่งหากมีโล ก, กุตระธรรมแล้วรู้กันได้หมดอดีตอนาคต นาตีตังสยานอนาคาตังสยานกําหนดจิตรู้ได้เมื่อผ่านป่าดงหลวงเข้าสู่หนองคายข้ามไปเวียงจันทร์ประเทศลาวเพื่อสอบนิมิตซึ่งท่านรึกได้เมื่อสมัยเด็กว่าเคยเกิดอยู่นอกคอนครเวียงจันทร์ชาตินั้นได้ตายด้วยโรคร้ายแรงตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มญาติได้ดําศพไปฝังไว้ ที่โผลต้นพุทราใหญ่ในนิมิตตอนเด็กนั้นท่านเห็นกะโหลกศรีรษะขาวโพลนโผล่ดินขึ้นมาตรงต่อพุทราต้นนั้นลวงปู่ไปถึงสถานที่นั้นทุกอย่างเหมือนในนิมิตผิดอยู่แต่ต่อว่าต่อพุทรานั้นไม่มีแล้วกะโหลกศรีรษะก็ไม่ขาวเท่าที่เห็นในนิมิตและเมื่อพบแล้วท่านตบเผา ด้วมือของท่านเองพันศาที่สามระหว่างในพันศาท่านได้ข้ามไปอยู่เวียงจันทร์ได้ไปดูวัดพระแก้วในอดีตเคยเป็นที่สัจิตของพระแก้วมรกตมายุคหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ขนาดหลวงปู่เดินผ่านตู้พระไตรปิฎกชุดหนึ่งท่งานก็เกิดะลึกได้ว่าเป็นตู้พระไตรปิฎก ที่ท่านเป็นผู้สร้างและจารึกเอาไว้ด้วยแรงมือของท่านเองเป็นภาษาท้องถิ่นในอดีตก่อนๆ น, นัน้นเขียนตั้งแต่ครั้งยังเป็นสัมมนเนมจนเป็นสมภารเจ้าอาวาสซึ่งได้าจารึกพระไตรปิฎกบรรจุไว้เต็มทั้งสามตู้สามชาติแล้วเป็นสมภารวัดเดียวกันสามชาติชาติหนึ่งก็เป็นเนน้อย พอบวชเป็นภิกษุสมภารวัดเขาไม่มีพอพรรษาห้าเขาจับเป็นสมภารก็จารึกหนังสือไว้เมื่อตายไปแล้วเกิดในตำบล น, นั้นพออุ้มมาก็จำได้จึงบอกพ่อพ่อก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นหนังสือผมหนังสือมึงยังไงเล่าหนังสือวัดต่างหากแหะเมื่อได้เป็นสมภารวัดแล้ว ต่อมาก็ตายเกิดมาใหม่ถูกอุ้มมาวัดอีกก็จำได้ประเดี๋ยวโตมาร้องได้ก็มาอยู่วัดอีกแล้วบวชเป็นเงินน้อยก็มาอยู่วัดอยู่วัดแล้วสมภารก็ขาดอีกชาวบ้านก็เอาเองินเป็นสมภารอีกเป็นสมภารแล้วก็จารึกหนังสืออีกก็หัดเขียนอยู่วัดเดียวกันนั่นแหละเป็นสมภารถึงสามครั้ง แต่ที่ท่านไปพบตู้พระไตรปิฎกครั้งนี้เนื้อเพียงแต่ตูกเก้เก่าๆเต็มทีเท่านั้นเพระาะไตรปิฎกไม่มีเหลือลอยู่เลยท่านบอกว่าท่านบวชจนเป็นสมภารวัดถึงสามชาติสามสมัยเพราะจิตใจผูกพันกับสิ่งที่ตนหลงว่าเป็นของเราอาหารมื้อเย็นหลวงปู่เล่าว่า ท่านเคยไปทุดงผ่านภาคอีสานที่หนองคายชาวบ้านตั้งสํำรับถวายเข้าตอนเย็นท่านยิง่งบอกว่าพระทุดงฉันข้าหวหนึเดียวฉันผิดเวลาไม่ได้หรอกรับประเคนได้แต่โยมต้องกินแทนนะถ้าพระฉันมันเป็นข้าวรีบหมดถ้าโยมรับประทานก็เป็นทานไม่บกพร่องทานเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น ให้เจ้าของกินแทนเพราะนี่ไม่ใช่เวลาเช้าหรือเวลากลางวันมันเป็นเวลากลางคืนแล้วพระฉันไม่ได้เหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะกรรมเก่าตอนที่ท่านเป็นเด็กเคยเอาอาหารไปถวายพระตอนบ่ายทีนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเออเอ็งทําไว้ตั้งแต่ตอนเด็กนี่บวชมาพรรษาสาม เขาถวายอาหารตอนเย็นจะว่าไงทุดดงไม่เคยฉันมือเย็นฉันแล้วมันจะให้โทษพระประเคนอาหารแล้วมอบคืนให้เจ้าของแถมเทศทานบา ร, รมีให้เก่าฟังด้วยตอนกลางคืนอา น, นิสงส์ของทานทำทานมาเต็มสำรับกลับไปก็เต็มสำรับนี่ไงหละ่ะพบปิดาในอดิตชาติ เมื่อออกพรรษาแล้วได้รับ ก, กะถิ่นแล้วลุงปู่ชอบจาริกธุดงองค์เดียวท่านว่าสบายดีให้วุ่นวายกับใครไปหลายองค์งานมันมากถ้าทำไม่ลงกันแล้วไปด้วยกันไม่ถูกกันหรอกหากว่าไปองค์เดียวถึงไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่กลัวอดไม่กลัวตายกินแต่ภาษาหารคือความเป็นทิพย์ ไม่ต้องเกี้ยวไม่ต้องกลืนไม่เด็ดยอดยญกายอดไม้กินเด็ดขาดในระหว่างทุดงบริเวณเทือกเขาภูพานทางศรีสะเกตหลวงปู่ได้พบกับพระทุดงองหนึ่งกำลังสแสวงหาความสงบวิเวกณสถานที่อันสักปิ์สิทธ์ในป่าเช่นกันพระทุดงองค์นั้นคือหลวงปู่สงพรหมสรักอายุแก่กว่าหลวงปู่สิบปี และพัรษามากกว่าหนึ่งพรรษ า, ท, าทันทีที่เห็นหลวงปู่ก็ระลึกชาติได้ว่าหลวงปู่สง์เคิดเป็นบิดาให้อดีตชาติหลวงปู่จึงเรียกท่านว่าคุณพ่อสงคทุกครั้งดังนั้นทั้งสององค์ก็ร่วมทรโดงจาริกจากอีสานสุนครครรษวร์ที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคกลี ได้พบชฉยภูมิอันรื่นรงคือถ้ำผูกคาซึ่งอยู่กลางดงยางมีหนองน้ำใหญ่ใกล้เชิงเขาบรรยากาศสงบร่มเย็นวิเวกพื้นดินปากถ้ำกอราเรียกข้างในถ้ำตรงกลางมีปล่องทะลุให้แสงแดดและลมพัดผ่านทำให้อากาศถ่ายเทหมุนววเวียนได้ดี ในอดีตเคยเป็นสถานที่พระอริยสงฆ์มาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุธรรมในถ้าปูคานี่มาก่อนท่านทั้งสองตามก็เร่งบำเพ็ญเพียรอย่างหนักในถ้ำนี้เช่นกันคราวหนึ่งขณะที่ท่านทั้งสองกำลังนั่งพักผ่อนและสนทนาธรรมอยู่คนละซี่ถ้ำซึ่งมองไม่เห็นกัน จ, จู่ๆเสียงของปู่ก็เงียบไปจนผิดสังเกตในหลวงปู่สงจะเรียกชื่อหลวงปู่บุดดาหลายครั้งก็ยังเงียบจึงลุกเดินขึ้นไปดูเห็นหลวงปู่กำลังนั่งหลับตานิ่งอยู่ได้มีตะขาบตัวใหญ่ขดอยู่กลางศรีรษะหลวงปู่หลวงปู่สงยึดเอาผ้าอาบของท่านหยดลงไป ให้ตะขาบไต่คลานขึ้นมาบนผ้าแล้วนำไปปล่อยนอกถ้ำหลวงปู่ว่าตะขาบเจ้ากรรตัวนั้นไต่เข้าไปในสบงมุดผ่านเอวของท่านไต่ขึ้นบนแผ่นหลังไปเกาะพักอยู่ที่ลำคอท่านจึงต้องกำหนดกลั้นลมหายใจอธิษฐานจิตปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดทวารทั้งหมด ตกระบตัวนั้นจึงเข้าไม่ได้จนหลวงปู่สงได้เอาตะขาบไปปล่อยแล้วหลวงปู่จึงผ่อนลมหายใจที่ปิดกลั้นไว้นั้นออกมาได้หายใจเป็นปกติอนุปูไปดูพบว่าตะขาบที่น่าสงสารได้ทำลายตัวเองจนขาดเป็นท่อนๆด้วยความสานึกบาปตรงที่ถูกปล่อยนั่นเอง จบกิจพระศาสนาณท่ามปู่คาหลวงพ่อสงให้หลวงปู่บุดดาต่างเร่งเจริญสมณธรรมจนกระทั่งคืนวันหนึ่งขณะท่านทั้งสองกําลังสนทนาธรรมกันหลวงพ่อสงถามหลวงปู่ว่ายัางถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บอกไม่ถือวินัยได้ไงเรา จะผ่านของเขียวต้องระวังหลวงพ่ อ, พอสงฆ์ท่านว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือมันมีแต่เนื้อหนังกระดูกเห็นคนก็เห็นธรรมหลวงปู่สงฆ์ถามว่ายังมีตัวอยู่หรือหลวงปู่ว่ามีตัวสิไม่มีตัวจะถือวินัยได้อย่างไงวินัย ก็พูดถือนั่นเองเสกียวัฒ75ท่านบอกว่าเป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินยัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนิ่เถียงกันไปเถียงกันมาพอปัญญาบารมีเกิดตกลงกันว่าเอ๊ะไม่มีจริงๆเนอะพูดถือไม่มี มีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่พอหยุดความพบหลวงพ่อสงค์เพ่งมองที่หลวงปู่บุตรดาท่านวิตกไปว่าหลวงปู่บุตรดาจะตายก็ะึุดอยู่หลวงปู่นิ่งเงียบตาลืมค้างให้กระพริบเลยในตาเบิกลงหลวงพ่อสง์ตกใจ หลวงปู่บูดาเงียบไปเฉยๆสองชั่วโมงที่กลับมาพูดได้หลวงปู่ใช้ปัญญาก็ตัดกิเลสได้ขณะนั่งสนทนาธรรมหลวงปู่ว่าคนลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดพว้ที่นั่งตัดมันก็ต้องนั่งตัดพวกเดินตัดมันก็ต้อ ง, งเดินตัดพวกยืนมันก็ต้องยืน ปริยบทตรสี่มันได้กลยานกันก็ได้คือแล้วแต่ว่าใครจะตัดกิเลสได้ขนาไหนอย่างพระอนนท์ตัดได้ตอนเองกายขณะ ก, กำลังจะนอนนั่นเองสุลงปู่อายุไม่พ้นสามสิบสองใช้กรรมไม่หมดมันก็ไม่เห็นหน้าโล ก, กุตระใช้นี่กันหมดแล้วก็อโหสิกรรมนั่งลืมตาอยู่ ก็บรรลุธรรมได้ขณะนั้นอวิชชาดับหมดเลยรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นชัดเจนทุกอย่างรอบตัวเป็นปรมาถ ธ, ธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือเอาเป็นเจ้าของสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะ ไม่มีตัวตนรอกธรรมะอังหาที่ส่งไว้คงอยู่ในจิตของตนเองกิเลสหลุดไปเองชีวิตยอย่างอยู่แต่มันไม่หยุดรงงานหมดทั้งโลกเลยไม่มีใครปรุงใครแต่งมันปกติหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปกติหมดคนละหน้าที่กันหมดไม่มีใครทําคุ้ยเคลิกัน กายสังขารก็หยุดงานตัวจิตสังขารก็หยุดงานนามรูปมันหยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีใครดีใครชั่วถ้ายังถือวินัยปิฎกสุตตปิฎกอวิชชาปิฎกยังมีตัวอยู่ยังมีตัวถืออยู่ถือตัวก็คือตัวธรรมนั่นแหละไม่ถือธรรมเป็นตัวไม่มีสัตว์มีคนจะมีธรรมะเป็นตัวอีกหรือ กิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุของกิเลสก็ไม่มีธาตุโยเป็นธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้มันธาตุไม่มีกิเลสธาตุไม่ตายหนิคนละธาตุกันหนิอ๋อ สมุทัยไม่มีนามรูปทุกขัสัจจะมีนามรูปมรรคัสัจจะมีนามรูปเออเหนือนามรูปมีนิโรธัสัจรู้แจ้งไปเลยมันดับตั้งแต่การมาสะวะพระวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชานุสัยนี้จากวันนี้เอง ซึ่งมืมาอาศัยกันตั้งหลายชาติหลายภพแล้วร้อยชาติพันชาติก็เลิกกันวันนี้ลูปู่ว่าท่านเจริญมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมาตั้งอเนกชาติแล้วไม่หลุดออกไปเสียทีคราวนี้จะเข้าโลกกุตระมันก็วางที่กระจัดหมดเท่านั้นสุดชาติของอาศวะ ของสังโยชนสิบอนุสัยเจ็ดออกมนเดียวกันนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกันมานานใช้นี่กันหมดแล้วก็โอโหสิกรรมกันทีวิชาทํางานต่ออวิชาหมดแล้วก็แล้วกันมันขาดสัตบุคคลนี่ขาดสังโยชน์และอัศาวะไม่มีใช้กับเขาแล้วกามาสวะมันก็ขาดในวันนั้นแหละอวิชาสังโยชน์ เป็นสภาพไม่รู้ของอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นมูลเจตนากรรมเป็นเหตุให้คิดอ่านกระทำอะไรให้วุ่นตามวงการของอวิชชาซึ่งมีสามประการ 1. บุญญาพิสังขารบุญ่นเกิดบุญขึ้นมาเลื่อมใสอใจในการประกอบกองการกุศลต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์ใจทำให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพสิบกชั้นเป็นพรหมสิกชั้นก็ล้วนแต่อันิจจังเป็นเหตุให้ติดในวัฏสงสารเพราะสมบัติเหล่านั้นช่วยให้ออกจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไม่ได้มีแต่จะชักใ ย, ยมัดตนเองให้ติดแน่นอยู่ในสันสารวัฏอั น, น้ภัยใหญ่โดยทายเดียว ซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังแห่งสมุิบุญญาพิสังขารเป็นกองทุกใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดบัณฑิตผู้มีปัญญายานพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แล้วปึงปลัวเป็นนักหนา 2. องอบุญญาพิสังขารคือบาปการยินดีทุจริตมีความโลภเป็นเหตุให้ได้เกิดเปด็นเปรตอสุรกายโทสัก เ ป, เ, รรเป็นเหตุของสัต์รนรกโมหะเป็นเหตุของสัตยิรฉานหวี่นไหวตายเกิดในวัฏสงสารชั้นต่ำเหมือนทารรเป็นอุจจาระสอเนชาที่สังขารพยายามปฏิบัติตนเข้าสู่อรูปภ พ, พซึ่งเข้าใจเองว่าเป็นโลกอมตะหรือความสำคัญผิด ตัวปรุงแต่งสภาพตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยคิดว่าเหตุทุกข์เพราะการมีรูปร่างร่างกายถ้าไม่มีรูปร่างกายก็หมดทุกข์คืออรูปฌานซึ่งเป็นเพียงแต่ข่คมความทุกข์ให้สงบระงับลงชั่วคราวเท่านั้นอาได้ตัดความทุกข์จะสมุดเฉตไม่แม้ว่าอารูปปรพรม ทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์กายทุกใจและไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะให้ทำความเบือดร้อนต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังหีความตายไม่ได้เพราะเมื่ อ, อรูปฌานสมาบัติที่ตนได้ถึงภาวะเสื่อมสลายสิ้นสุดลงเมื่อนั้นโยมีความจำเป็นที่จะต้องจุดติจากปรมโลกรูปปภูมิลงมาเกิดเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ได้ ร, รับความทุกข์เดือดร้อนมันเกิดแต่รูปกายเป็นเหตุอีกจดจณิอนันตการตราบเท่าที่ใจยังพิศวาตรหลงไหลติดลงอวิชชาอยู่นั่นเองหลวงปูส่สงท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่ตั้งสามชั่วโมงบอกนิมมลตะครับแน่นอนแล้วว่างั้นนะเช้ามา ก็าถามคันอีกใครจะเดินหน้าเดินหลังเอา้าหลวงพ่อสงฆัทนว่าลบ ก, กุตรัธรรมแล้วต้องไปทางหน้าเขาแต่หลวงปู่บุญดาว่าหน้าก็น้ากุณธรรมแต่พรรษาอ่อนต้องเดินหลังสิตกลงหลวงปู่เดินตามหลังหลวงพ่อสงเหมือนเดิมภายหลังอีกไม่กี่วันหลวงปู่สงฆรลมสระ ซึ่งารบความเพียรอย่างหนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมณถ้ำภูขาเช่นกันหลวงปู่สงพรมสระเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกตแต่ได้มาบวชที่จังหวัดตราจีนบุรีและได้ทุดงจาริกที่แสวงหาโมกะธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้พบหลวงปู่ในแถบเทือกเขาภูพานและได้ร่วมทุดงกัน จะได้พบถ้ำภูคาที่อำเภอตาคลีและก่อนสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สงท่านติดตาราติ ด, ดทุดรงสิบสามติดอ่านหนังสือพระพุทธ ร, รูปให้คอหน้าตักตั้งคือใครพูดใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อ